วันนี้เป็นวันที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2554องหลวงตาพวกเราละสังขารเมื่อวันที่30มกราคมพุทธศักราช2554นับจากวันนั้นมาถึงวันนี้หลวงตาละสังขารได้22วัน22วันนี้ พวกเราคณะสิทธิ์ได้พร้อมเพียงสมัคขีกันจัดงานถวายองค์หลวงตามีเมนมีมต้อนรับประชาชนที่มาเกี่ยวข้องก็คิดมองมองดูแล้วก็7จ80ิซจะเข้าโรคคิดว่าคงไม่มีปัญหาเรื่องเมนก็ ทันและก็คงจะมีการประชมหาหรือเกี่ยวกับงานต้อนรับอีกส่วนหนึ่งเรื่องจอดรถเรื่องน้ำเรื่องห้องน้ำเรื่องอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนคิดว่าติดเตรียมคณะกรรมการหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องได้เตรียมกันเต็มที่ทั้งส่วนรัฐการมีท่านผู้ว่ารัฐการจังหวัดรอง แม่ทัพทั้งพกการตำรวจทั้งหัวหน้าส่วนราชการทั้งโรงพยาบาลอนามัยนายกของเมืองอุดรที่ว่ามาร่วมกันด้วยความพร้อมเพียงสามัคคีในส่วนราชการไม่ขาดตกบกพร่องแต่ว่าจะรับมือได้ขนาดไหนอันนั้นก็ เป็เรื่องที่หนักใจพอสมควรที่ว่าคงคนคงจะมามากแต่ถ้าว่าดินฟ้าอากาศเอื้ออํานวยในวันนั้นก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาแต่ถ้าว่าดินฟ้าอากาศมีฝนตกในวันนั้นก็คิดว่าพี่น้องประชาชนคนจะลำคงจะลําบากพอสมควรนะอันนี้ก็บอกกล่าวไว้แต่การต้อนรับนั้นพวก เราที่คณะกรรมการจัดงานทั้งฝ่ายพระสงฆ์และก็ฝ่ายฆราวาสญาติโยมทุกหมู่เหล่าให้ความให้ความใส่ใจและให้ความตกลงมีความพร้อมเพียงสมัคคีกันเป็นดียิ่งตามสายตาที่หลวงพ่อเป็นฝ่ายคณะสงฆ์ที่ดูดูทุกหมู่เหล่าให้ความเคารพรักในองค์หลวงตา ต่างองค์ต่างคนก็ต่างยื่นมือเข้ามาช่วยอย่างพระสงฆ์นี่ก็มาจากยาตุประทิที่เข้ามาร่วมงานที่มาช่วยงานก็รู้สึกว่าการเตรียมการคราวนี้เราเตรียมการเพื่อรับรองรับคนเป็นล้านนะฝ่ายพระสงฆ์นี่เขาว่าจะเป็นหมืน่คนคนงานขององค์หลวงตาของเราสมกับองค์หลวงตาของเราเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยกุล อุดหนุนสงเคราะห์อนุอนุเคราะห์โลกจริงๆตามที่เคยเห็นมาก็ไม่มีงานไหนที่จะใหญ่ยิ่งกว่างานขององค์หลงตาเพราะทุกวันนี้การค ม, มนาคมก็สะดวกการไปมาก็สะดวกการสื่อสารก็สะดวกเพราะนั้นคนจึงหลั่งไหลามามากอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นทุกวันไม่เคยมีวันไหนเลยที่จะว่าไม่มีคน มีแต่ทุกวันมีแต่แน่นถนัดทั้งนั้นอันนี้ก็เป็นบุญบา ร, รมีขององค์หลวงตาของพวกเราพวกเราในฐานะศิษยานุศิษย์ทั้งหลายกับหลวงพ่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อเองปราบรึมใจเป็นอย่างมากที่ได้เห็นคณะศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตาได้เข้ามาร่วมแสดงความเคารพสักการะในสรีระขององค์หลวงตาในครั้งนี้นะ แต่ถึงอย่างไงพวกเราให้มีความอดทนนะทุกๆ ท, ท่านให้มีความอดทนอดทนให้มีขันติที่จะสร้างบุญสร้างกุศลต้องมีขันตินะอย่าไปขันแตกนะให้ขันตนะิให้มีความอดทนในจิตในใจถ้าว่าพวกเรามีความขันติแล้วทุกอย่างเึ็นไปได้วยความเปรียบร้อยราบรื่นทางนั้นแหละแต่ถ้าว่าพวกเราขาดขันติแล้วก็ เรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงจะไม่เรียบราบนะตอนนี้ไปรับพรอโมทนาให้พร